ให้เข้าใจเรื่องจิตใจนั้นมันไม่มีตัวไม่มีตนมันเป็นอนัตตาเดียวบังคับบัญชาไม่ได้ทำไมที่บังคับบัญชามันไม่ได้ไบบไไดกเพราะมันจับไม่ได้บอกว่ามึงคิดดูที่มันก็หยุดคิดได้เอาหยุดคิดนะสิมันก็คิดไปได้ดังนั้นจึงมีวิธีมีณโยบายพระพุเจ้าท่านจึงสอนให้เราเคลื่อนไหวให้มีสติันวาน ให้มีสติกำหนดรู้ในอีบทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนให้กำหนดรู้ท่านวนันเท่านั้นก็ยังไม่พอท่านเนีว่าให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ขู่เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็าตามท่านวันให้กำหนดรู้เพื่ออะไรเพื่อให้มันมีความรู้สึกอันนี้นี่เองเป็นการแก้ปัญหาอันนั้นเองดังนั้นการที่ทําการเคลื่อนไหวเนี่ย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 ตอนนี้นะ่ะเรารู้อันนี้แหละไปใ ห, ให้รู้การเคลื่อนไหวนี่ไปมันคิดก็รู้มันไม่คิดก็ปล่อยไปมันคิดก็รู้มันไม่คิดก<ละ>็ปล่อยไปอย่าไปยึดไปถือมันเพราะตัวสมุทัยทําให้ทุกเข์ถ้าไปยึดไปถือกับความรู้ต่างๆแล้วเป็นตัวสมุทยัยสมุทัยต้องละนะมันคิดต้องปล่อย ท, ทันทีให้มันรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวนี้เป็นวิธีง่ายๆบัด น, นี้พอได้มันคิดขึ้นมาแล้วก็มาอยู่กับการเคลื่อนไหวได้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 แต่ลัทธินีของธรรมะของพาราสีอ น, นี้ไม่ติจะต้องเข้าไปถึงสัตว์นรกที่ไปตกอยู่อวกีเท่ากับแสงฟ้าแม่เท่านั้นเอง เ, เห็นแว บ, บเท่านั้นเองเพราะเนื่องจากการฟังธรรมะอันนี้ไม่เข้าใจก็เช่นเดียวกันแต่คนใดที่อยู่ใกล้ตกอยู่นรกสั้นบางๆเ็าได้แล้วเดินอยู่ที่ไหนก็ได้เล้วก็จาเหมือนกับแสง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 ไปถือศาสนาที่เขาไม่มีนรกนั่นเถมันก็สบายใจแต่อันนั้นมันเป็นเรื่องสมมุติพูดเท่านั้นเองความจริงที่อตาตมาพูดเนี่ยทุกชาสทุกภาษาทุกประิทศทุกมีกายต้องเป็นอย่างนี้นรกคือความมืดนั่นเองคือความทุกข์กับสนุนวุ่นวายนี่เองนรกนิพพานบัณ์เนี่ยคือความหยุดอันนี้ได้นี่เองหยุดไม่ให้มืดเข้ามานี่เอง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 แต่เรามาทําของนายนี่แหละให้มันยากเดี๋ยวนี้นี่วะไปฟังเทศฟั่งทำหรือทําบุญให้ทานรักษาศินต่างๆมีแต่พูดยากๆทํายากๆโอ้โหจะมีเวลาได้ทําได้สไหมเพราะมันไปขุกคีอยู่กับการกับงานทั้งนั้นคนทุกคนต้องมีการมีงานทําแต่ไปทําอย่างนั้นน่ะมันทําไม่ได้อัตมาพ่ปองทําแล้วเรื่องนี้ย ว, วิธีที่อัตมาพูดเนี่ยไปที่ไหนก็ทําได้นี่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 คนตายไปแล้วสองพันห้าร้อยปีแล้วคนมาพูดนี่บางทีอาจจะเคลื่อนไหวไปโดยวิธีใดแล้วก็ยังไม่รู้มันเปลี่ยนแปลงไปได้คำพูดเนี่ยพระเจ้าในขณะเมื่อท่านยังมีลมหายใจท่านไม่ได้พูดอย่างนี้ท่านอาจจะพูดทีตรงไปจุดนี้จุดเดียวก็ใดเดี๋ยวนี้พระโยตายไปแล้วเราคิดอย่างนี้ก็ได้นะสังคญญาญยานายขั้งที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าอาตามาเคยถามเกิดมาได้กี่ปี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 เมื่อเราทำจังหวะรู้อันนันแหละเป็นการปฏิบัติไม่เอาหนังสือไปก็ได้เพราะหนังสือมัอนเป็นวิธีให้ทำอันนี้เท่านั้นเอง okay. You don't book, book, don you know do book not to have how if this know movements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 ร, รู้จักรู้สึกตัวเพิ่งเขาเขาเพิมาเจอหนังสือนี้เล่นแรกที่บอกให้เขารู้จักเออรู้สึกตัวแต่ว่าเขาก็ยังยังไม่รู้วิธีทําเท่าไหร่ก็ต้องเรียนอวิธีทําเนี่ยเป็นวิธีที่เรียนต้องเรียนด้วยมือทําเองพลิกมือขึ้นรู้สึกตัวข้อมือรวงรู้สึกตัวปมรู้สึกตัวนั่นไม่ใช่ว่านั่งอรู้สึกอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งคือให้รู้การเคลื่อนไหว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 แแต่ว่าเสียงเราไม่มต้องกำหนดแต่ฟังได้แต่ว่าจิตใจมันคิดให้รู้แบบ น, นี้ค no you know, ุณอยู่ในเนเรออยู่บเรยหรอางม่งยูเฮิร์คุณก็รู้แต t เชั่นทุกแต่คที่ไม่รู้ว่าอ g ู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 รู้จักกแต่งด้วยมือเ่อนไหวในเวลาระหว่างนั้นนะถ้าความรู้สึกเพิ่มก็ให้รู้ใาง้ให้รู้ให้มันรู้ะกลกับเคลื่อนไหวดังด้วมือนี้ใังที่โลกเขาเพ่งเฉพาะที่ครับทเขาก็าเพ่งเฉพาะมือหรือว่าเป็นเฉพางส่วนไปอันทำอย่างนี้เคยบอกว่ไม่ต้องทำไม่ต้องเพ่งเฉพาะรู้ที่มือ่ันเดียวคือให้มันรู้ถ้าไม่ทำดันนี่มันก็ไม่ได้ในใจมันคิดมันก็จะไม่รู้ที่แบนี้